เห็นไหมา อ, อยากจะบวชแล้วไม่อยากจะบวชมั้งครับเหลือเรลือเทอมเดียวก็ยังไม่เรียนเลยเรียนปรัชญาด้วด้วยนะเรียนพระพุทธศาสนานี่เป็นวิชาที่สูงสุดเลยในชะ่ไหมเป็นวิชาที่ดีที่สุดใครเรียนจบพระพุทธศาสนานี่ถือว่าจบเป็นปริญญาเอก ปริ ญ, ญาเอกของโลกเนี่ยพระพุทธเจา้านี่เป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่ว่าใครก็ตามมนุษย์จะจบเป็นริญญาตีเทเอกก็ยังต้องมาเรียนจากพระพุทธเจา้าอีกทวิชาของพระพุทธเจา้านี้ไม่มีใครสอนได้นอกจากพระพุทธเจา้าหรือภาษาหลวงของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพวิชานี้ทําให้ไม่ติดเกม ทำให้ไม่ติดอะไรเอติดแล้วมันทุกข์เมื่อเวาไม่ได้อยู่กับมันเนี่ยติดเกมก็ทุกข์นะต่อไปติดแฟนก็ทุกข์นะถ้ามีแฟนแล้วเดี๋ยวแฟนไม่แฟนไม่อยู่กับเราเราก็ทุกข์ถ้าเรียนวัศาสนาจบนี่จะไม่ติดอะไรเลยไม่ติดเงินติดทองไม่ติดเที่ยวไม่ติดกาแฟก็ไม่ติด กินได้แต่ไม่ติดบุรีก็สูบได้หมากก็เคี้ยวได้แต่ไม่ติดกรูบาอาจารย์ท่านเคี้ยวมากสูบบุหรี่คนสมัยนี้ไม่เข้าใจคิดว่าท่านติดเพราะคนสมัยนี้ทำอะไรมันติดเ่ยสูบบุหรี่ก็ติดก็พอเห็นคนที่สูบบุหรี่ไม่ติดเขาก็ไม่เข้าใจว่าสูบไปทำไมไม่ติด เป็นไงเมื่คกีฟังแล้วเข้าใจไหมเดี๋ยวไปอยู่วัดพระอาจารย์ตันมาเจ็ดสิบห้าวันวันพดพระอาจารย์ตันที่ใออกไปที่จังหวัดชลบุรีไปทางอำเภอบ้านเึญที่นั่นก็มีมีพา้าเยอะเหมือนกันสี่สิบห้าสิบรูปแล้วก็มีชาพระชาวต่างประเทศหลายรูปเหมกันคือวัดพรมากมา ก, มากจันไม่ใช่อันนี้เรียกวัดบุญยาวาสวัดมากจันท์อยู่ที่ทางระยอง บ้าน <ไอ S 1> เพยไปไปทางระยองบ้านเพยอันนั้นอาจารย์อ น, นันต์แต่ทั้งสองคนนี้เขาก็เป็นศิษย์ของปู่ชา อ, อท่านถึงมีพระฝรั่งมาตลอดเวลาใช่พรเขารู้เขารู้กันเป็นสายเดียวกันสายแล้วก็สมบวชที่ปอดปนานอนาชาติแล้วพอเขาได้ห้าพรษาเขาก็อยากจะย้ายย้ายวัดไ ป, ปหาเปลี่ยนรสชาติใหม่ไปทุโดองอะไรใหม่ก็เลยอาจารย์ตันก็มาสร้างวัดอยู่ที่ชมบุรี อาจารย์อนันต์ก็ไปสร้างอยู่ที่ระยองออแต่ละวัดก็มีพระชาติไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่พอสร้างแล้วมันมักจะสร้างไปใหญ่โตกันไปสร้างโบสถสร้างเจดีย์อย่างอ อ, อ, ยนะ อ, อ, อยู่ที่นี่ดีอย่างที่นี่มันไม่สร้างไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะสร้างสร้างไม่ได้เพราะมันที่ของป่าไม้แล้วเราเองก็ไม่อยากจะสร้างเอ ที่วัดเขาก็มีของเข้าอยู่ข้างล่างแล้วก็เลยสบายไม่มีความกดดันที่จะต้องมาสร้างถ้าสมมติเราไปไปตั้งวัดเองนี่คงจะถูกกดดันแน่ๆคนทังนีจะต้องขอสร้าง <ขอ S 2> โบสถ์สร้างเจดี <JD. S 1> ย, ย์ยเขาก็เห็นไม่มีแล้วเขาคิดว่ามันขาดอะวัดที่ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์นี่เขาคิดว่ามันไม่ครบเครื่องก็งวัดหลวงตานี่ก็เหมือนกันก็มีคนอยากจะสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ถวายท่าน แต่หลวงตาท่านก็เป็นคนที่มีหลักมีเกณฑ์ท่านบอกว่าเราไม่เกณฑใจผลเราเกณฑใจธรรมถ้าเกณฑใจคนทําก็แหลกเนี่ยภาคส่วนใหญ่มักจะเกณฑใจ ญ, ญาติโยมเพราะญาติโยมมีบุญมีคุณช่วยสนับสนุนอสร้างกุฏิใส่บาทอะไรให้ที่เขาอยากจะสร้างกุศลด้วยการสร้างบัวสร้างเจดีย์ก็อ่ะ ท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็ไม่ท่านก็ไม่เดือดร้อนสร้างหรือไม่สร้างอต่อมันสร้างแล้วมันทำให้วันมันค่อนข้างที่จะมีมีมีมงานมีการทำให้มันไม่สงบในขนาดซ่อมกุติยังมีปัยังยังต้องละมัตระหลังเอาทีละหลังแล้วถึงเวลา่าตอยู่มานี่ก็ให้ก็หยุดไม่ให้เขา เรจะทำเนเสียงดังโป้งป้างติดเครื่องปั่นไฟอะไรต่างมันก็รบ ก, กวนคนท่าไม่ไม่ไม่ไม่ได้พบกับความสงบแล้วจะไม่เห็นคุณค่าของความเงียบของความสงบมีคนจะมาคอยขอให้นี่ก็จะมาบอกว่าเนี่ยช่วงนี้เชื่อมุดูฝนเนี่ยเดี๋ยว เวลาฝนตกคนมานี่จะไม่มีที่หลบฝนอยากจะให้กลางเต็นท์เหรออย่ามากลางเต็นทีนี่เมันทํำลายบรรยากาศบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติเพราะมีอะไรที่เป็นของของโลกของอะไรมาดูแล้วมันมันมีความรู้สึกต่างกันไปเลยใช่มันจะมันจะถุกเกลือนเกลียดไปความความรู้สึกสัญญามันมันเปลี่ยนไปทันที ถ้ามันอยู่กับธรรมธรรมชาติล้วนๆนี่ยมันมันกล่องใจถ้ามันมีเต็นมีอะไรมีสีมีสารแบบที่เคยเห็นเยอะมันปรุงแต่งออกไปแล้วความความสงบความเรียอะความเย็นความาวิเวุ้งๆใช่ใช่วุ้งจะไม่มีมอันนี้เหมือนอยู่ในสวนในอยู่กับนกอยู่กับอะไร อ, ะอย่างนองของมันไปก็ดีชอบดี 爸妈เขาก็ไม่อยากจะให้สร้างเราก็ไม่อยากจะสร้างอย่สบายเออเราจังไม่ได้ไปคิดจะไปสร้างว่าที่ไหนอยู่นี้สบายไม่ไม่ต้องไปเอาเอาใจญาติโยมเหมอกเป็นอย่างนี้ ไปปฏิเสธได้กินนิมมงนิมนต์นี่เขานิ ม, มนต์รวมปฏิเสธได้หมดเพราะไม่ได้เป็นนี่ไม่ได้เป็นนี่เขาอต่ถ้าอยู่ไปไปไปอยู่ที่แบบไม่มีอะไรเลยเขามาช่วยมาช่วยอะไรอย่อยางเงี้ยเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาอยากจะนิมนต์ให้ไปทำบุญที่บ้านเขาหน่อยอเขามาช่วยเราตลอดเราไม่ไปก็เหมือนจะจะรู้สึกว่ า, าใจเจ็ดใจดำ แล้วก็มีงานศพก็ต้องไปงานศพเขาเนี่เราไม่ไปหมดนะอีกเยอะอแค่นี้ก็เยอะแค่นี้ที่ท่าใจอยู่ตรงนี้แล้วโอ้โหแต่ยัอยงานงานงานงานที่ทํานี่มันเกี่ยวกับงานเรื่องของด้านด้านธรรมะโดยตรงมันก็มันเป็นแก่นแต่ถ้าไปทํางานไปร่วมพิธีกรรมต่างๆไปร่วม งานอบไปอะไรมันกเนเน็เป็นเป็นเป็นเปลือกให้ทำอะไรดีบ้างกันคะหมายถึถ้าเขาจะนัน่งคึ่ชั่วโมงนี้ให้พุดโทรผู้จัดพูดโทรนะ ก็มีหลายวิธีถ้าสวดมนต์เป็นไหมสวดอรังสัมมาสวัสดิ์าโตสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงจะได้ไม่รบกวนคนอื่นนั่งนั่งนั่งนั่งในข้าขัดสมาธินี่ยแทนที่จะใช้พุทโธถ้าเบื่อพุทโธก็ใช้สวดมนต์ไปก็ได้หรือถ้าอยากจะรู้จักร่างกายของเราก็ท้องอาการสามสิบสองของร่างกายไปดีใได้นยน ผมขนเอาภาษาไทยเลยก็ได้มไม่ต้องภาษ า, าลาวผมขนเล็กปันหนังเนื้อกแอนอกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้าหัวใจตับท้งขือไตปยอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำฉลด์น้ำเหลืองน้ำเงือดน้ำเลือดน้ำเหนืห อ, น, อน้ำมันข้น น้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดเนื้อน้ำทั้งนั้นอยู่ในตัวเรารู้จักไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยศึกษาจะได้รู้จักร่างกายของเราว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างชิ้นสว่วนใช้คูเกอร์คีณดูไหมใช่เนี่ยเข้าไปในคูเกอรบอกอาการ32แค่นี้มันกระโเผิขึ้นมาแล้ว ผ่านเปิดยังม่ต้องท่องอ่าผ่านไปก่อนแล้วท่องมันจะเวลามันจะได้ผ่านไปอยงใช่อย่างสมัยที่เราหันั่งสมาธิใหม่ๆเราท่องปติปฐานสูตรเพราะเรานั่งนั่งใจไม่มันไม่ยอมอยู่กับลมต้องการจะนั่งดูลมมันไม่ยอมอยู่มันจะคิดนู่นคิดนี่ก็เลยเอาวะลองท่องมันดูยาวแค่สีสิบนาทีสี่พันสี่เป็นภาษาอังกฤษนะภาอาอังกฤษที่เราได้มาเป็นภาษาอังกฤษ สติฐานสูตรเข้าไปเสริมดูก็ได้ for foundation of mindfulness เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ท่องนั่นเลยพระสูตรพระเจ้าสอนวิธีนั่งสมาธิขั้นตน้นเป็นั่งสมาธิอานาปานาสติดูลมหายใจเข้าออกออกจากสมาธิมาก็ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย ร่างกายกำลังทำอะไรก็รู้กำลังยืนก็รู้กำลังเดินก็รู้กำลังนั่งก็รู้ <c oughs> ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเกณฑ์คิดถึงเพื่อนคิดถึงใครให้เศ้าดูร่างกายอย่างเดียวแล้วใจจะนิ่งใจจะเย็นจะสบายแล้วพอใจไม่ลอยไปลอยมาก็ศึกษาค้นคว้าดู ร่างกายว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยอะไรมีผมมีขนมีเล็บมีฟันดูเข้าไปบรรทุนแล้วก็ท่องชื่อมันไปก่อนต่อไปก็ดูลักษณะของอาการแต่ละการผมอยู่ตรงไหนอาการเป็นอย่างไรมีราลูกล่างลักษณะอย่างไรขนอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนหนังอยูอ่ตรงไหนหนังนี้มีตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าเลยรืปลเนี่ย หนังแล้วก็เนื้อหนังเนื้อก็อยู่ใต้หนังเอ็นก็อยู่เอ็นก็อยู่ใต้เนื้ออยู่นนในเนื้อกระดูกเนื้อเยื่อในกระดูกโอ้เนี่ยศึกษาไปนล้วโอเนื้อออใช่ก็บอกว่าถ้าผมได้โรงเรียนที่ดีๆที่ยังติดผมจะมาอยู่บนขายบ อ, อกนะแน่ใจนะกูแล้วเลยแน่ใจนะ แม่อยู a, TA, me, begging, oh, huh. ่ได like, uh, ้ผมก็อยู่ได้้องงแม่ไม่เคยอยู่คขาบอก่าขานเานาตันั้นพี่ลูกเคยุยอันนั้นไม่ใชุ่ณเขาตัวนี้แบบแับตัวนี้เงียบเงี้ยตั้งเลยแล้วเนี่ยก็ลองทาอย่างเงี้ยถ้าเบื่อทิ้โทรก็ลองดูอาการสายที่สองื่กสวนมนตไปหรือถ้าเบื่อก็ดูลมหายใจเฉยๆก็ได้ นั่งนั่งหลับตาแล้วก็ดูตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกให้ดูไปอย่างเงี้ยอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องเกงเรื่องนั่นเรื่องนี้ควบคุมความคิดไว้ ใ, ให้ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่งางๆใจก็จะว่างใจเย็นจะสบายเพราะครูทุกคนบอกเขาทําได้หมดแต่ว่าครบเขาไม่เป็นอะไรเขารีบมากเลยรีบยบใจร้อนใจร้อนรียบเ<ำ>วลาทําเล่นเนี้ย ทำต่วิธีถูกหมดแต่ไปบวกลบไม่ติดตองสุดท้ายเนีไม่รอบคอบไม่มีสติใช่สติไม่พอความอยากอยากจะทำให้มันเสร็จเร็วใช่จะได้จะได้ไปเล่นได้ป้าหมายอยู่ที่การเล่นทำาะไรก็ทำเพราะมันเสร็จเสร็จไป ล อ, อ, องหยุดใจอย่าให้มันไปเร็วเด้งมันไว่วอย่างเด้งมันไว้อยู่ก็พุทโธอยู่กับการสวดมนต์ก็แล้วสวดมนต์ก็ไม่ต้องรีบสวดสวดสบายสบายไม่ใช่สวดให้มันเสร็จเร็จเ <c oughs> สีร็จก็สวดเลยสวดไปทั้งวันสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันก็จะหยุดเอง <c oughs> หยุดแล้วมันก็จะสบายแล้วมันจะไม่รีบเร่งต่อไป เพราเราควบคุมมันได้อันนี้มันเป็นเหมือนรถวิ่งลงเขาแต่เราไม่มีเบรกหยุดมันมันก็เลยรีบรีบรีบอยากจะทำอะไรรีบรี บ, รบทำเอามีมาหัดมาหัดเบรกติดเบรกให้กับใจใจเป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเบรกไม่ได้แล้วจะเย็นจะสบายไม่ต้องทำอะไรสนุ ก, กว่าย ใจที่สงบนี้มีความสุขยิ่งการเล่นเกมทั้งคืนทั้งวันแล้วก็ไม่เบื่อด้วยความสงบนี้ไม่มีวันเบื่อเล่นเกมยังเบื่อเบื่อเกมนี้เด็กก็เปลี่ยนเกมใหม่ที่เขาบอกผมเบื่อเอแล้วเกมใหญ่เขาไม่เล่นเกมไม่อยากเล่นไม่มทําอะไรเอ้นี่ก็ไม่ทำไอันนี้ก็ไม่อยากทําออ น้องควบคุมใจไว้นะไม่เดี๋ยวมันติดแบบเลิกไม่ได้นีนจะลําบากจะทำอะไรไม่ได้อันนี้เกตตกไปยัง<ร>เกดเกตตกไปกยังตกไหม ย, ยังไม่ตกนะยัยงแต่ว่า<ร>แต่ว่าพูดไม่ถูกอะก็ได้เรียนๆเนี่ยเขาโอเคแบบได้อยู่แต่ว่าอะไรการสอบที่แบบว่าควบอย่างพิเศษ หรืออะไรอย่างเี้ยมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่ชไม่ดีใช่พีซัดเนี้ยคก็เหมือนพู้ไม่ถูกเหมือนแบเง่้ยที่อาจารย์บอกวิบีอ่ะวิบีทำวิบีม่เขียนไมอมีแล้วกัจะกลับบ้านกันเหรอมาอยู่ได้คือวันวันหรืวันอาทิตย์ค่ะอ๋อตั้งแต่วันาทิย์เด เป็นยังไงดีไหมก็ดีอยู่สบายสบายกออสบายเกินไปก็เหมือนจะคนบรรยากาศกับวัดพระันทร์ค่ะเพราะที่นันที่อยู่ก็เนจะไม่มีไนจเป็นเัแต่ว่าโดยรวมก็ยงก็คือเป็นป่ที่ธรรมชาตินะคะอยากจะไม่ไม่มีใครก็อย่าไปเปิดใครม่ก็ได้เพราะมันคอยเปิด ใช่ไว้สำหรับคนที่ก็ยังไม่ไม่ไม่ชินกับการอยู่แบบไม่มีไฟไม่มีน้ำถ้าเราชินแล้วเราไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องเปิดก็ได้เอ่อเต่าหมายก็คือให้อยู่คนเดียวไม่ให้มีเรื่องอะไรพูนวายใจต่างๆเข้ามารบกวนใจ แล้วเราจะได้ทำใจให้สงบได้ทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้เห็นความจริงได้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นสุขในโลกนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแต่เรามองไม่เห็นเพราะมันเป็นมันถูกความสุขเคลือบไว้บางๆเนื้อบันแท้ๆนี่มันเป็นความทุกข์พอความสุขที่เคลือบมันละลายไปก็เหนือ ก็จะเห็นแต่ความทุกข์เวลาได้ทำอะไรก็มีความสุขแต่พอไม่ได้ทํามันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็รักษาอะไรทําอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ได้ทําก็จะทุกข์มันก็หนีความทุกข์ไม่พ้พนเพราะสักวันหนึ่งมันก็จะไม่ได้ทําทําไม่ไหวร่างกายมันก็จะแก่จะเจ็บจะตาย ตอนนั้นมันก็จะทุกข์มากตอนนี้ก็ทุกข์ทุกเพราะต้องคอยคอยทําอยู่เรื่อยๆพอพอไม่ได้ทําก็จะทุกข์ถ้าเรามาฝึกทาใจให้สงบใจเรามีความสุขแล้วเราไม่ต้องทาอะไรเราก็มีความสุขที่เราต้องทําถึงต่างๆเพราะเราไม่มีความสุขในใจเราใจเราต้องหาความสุขจากการกระทาอะไรต่างๆ แการกระทำต่างๆมันเป็นความสุขเหลียวเดียว ส, สุขชั่วคราวต้องทำอยู่เรื่อยๆเวลาใดไม่ได้ทำก็หงุดหงิดทุกข์ขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นเกมสี่ห้าวันนี้เป็นไงดีไหมเห็นเห็นโทษของการเล่นเกมไหมยังคิดว่าจะเลิกดีไหมเลิกกันไปเลย การเล่นมันเป็นทุกอย่างเลิกไม่ได้ก็เมื่อก่อนเราไม่เล่นเราก็อยู่ได้เมื่อก่อนไม่มีเกมเราก็อยู่ได้สบายกว่าสิาากดปุ่มรีเซตใหม่ดีกว่ากลับไปตอนช่วงที่ยังไม่เล่นเกมไม่เป็นดีกว่า นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเห็นเห็นเป็นโทษแต่เห็นเป็นโทษแล้วยังหยุดไม่ได้สแสดงว่าเราไม่มีกาลังเราไม่มีกำลังหยุดใจเราเราต้องมาฝึกสร้างกำลังใจสร้างกำลังหยุดสร้างเบรกให้กับใจต้องอยู่เฉยเฉยอย่าไปเล่นมันอย่าไปให้ใจคิดถึงเรื่องเกมเลยห้กวันนี้ให้อยู่กับแต่ทุทโธอยู่แต่บทสวดมนต์ อ่านหนังสือธรรมะบ้างก็ได้สลับกันไปอ่านหนังสือธรรมะแล้วต่อไปจะชอบเนื่เพราะมันมีความรู้ที่อะไรต่างๆที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเข้าใจมาก่อนได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่มีใครรู้รู้จักตัวเราเองรู้จักว่าเราเป็นใครกันแน่เราเป็นร่างกายแลอเราเป็นใจ เรามีใจแต่เราไม่รู้ว่าเรามีใจหลันที่ว่าเรามีแต่ร่างกายถ้าเราศึกษาต่อไปเราจะเห็นว่าเราเนี่ยมีทั้งร่างกายมีทั้งใจและตัวที่สำคัญก็คือใจตัวร่างกายนี้มันไม่สำคัญเลยตัวร่างกายเป็นเพียงรูปน้องเป็นเครื่องมือเป็นคนรับใช้ใจใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ แต่ร่างกายนี้สักวันหนึ่งก็จะต้องรับใช้ใจไม่ไหวใจไม่มีวันแก่เจ็บตายแต่ร่างกายมันต้องแก่เจ็บตายตอนนั้นใจก็จะเดือดร้อนเพราะไม่มีคนรับใช้คนรับใช้ลาป่วยเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เล่นเกมไม่ได้พยายามอย่าไปใช้ร่างกายมา ใช้ใจดีกว่าใจใจต้องการความสุขจากความสงบถ้าใจมีความสงบน้าใจจะมีความสุขน้าใจก็จะไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรไปหรืไม่เป็นอะไรไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายการทําความสงบนี้ให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยไม่ต้องใช้ร่างกาย ใช้ธรรมะใช้สติการท่องพุโทโธนี้เรียกว่าเป็นการสร้างสติสติก็คือเบรคของใจเบรคไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราคิดอยู่กับคําว่าพุโทโธพุโทโธเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้นี่คือวิธีหยุดความคิดที่ดึงให้เราไปติดสิ่งนั้นสิ่งนี้ติดเกมติดอะไรต่างๆนี่ก็เกิดจากความคิดของเรา พอคิดถึงเกมแล้วก็อยากจะเล่นคิดถึงอะไรแล้วก็อยากจะทำสิ่งนั้นแต่ถ้าคิดอยู่กับพูดโทพูดโทมันก็ไม่ได้มีความอยากจะไปทำอะไรพอมันไม่มีความอยากทำอะไรอยู่เฉยเฉยมันก็เย็นสบายมีความสุขแต่มันยากตรงที่ไม่ยอมพูดโธกันไม่ยอมหยุดความคิดกันชอปล่อยให้ความคิด คิดอยู่เลยเมื่อไหร่จะถึงวันกลับบ้านนั่นคือเฮเริ่มนับเริ่มนับถอยหลังเลยย่างนีจะอยู่ึงวันไหนเนี่ยถึงวันศุกร์อะวันศุกร์งนี้พอสว่างปั๊บก็กลับเลยแทนแทนนีแนวันศุกร์เนี่ยไปตักบาตรกับอาจารย์ไปตักบาตรเสร็จแล้วเรากลับเลยแนไม่ต้ <laughs> องเราขึ้นบนเขาเราไม่ต้องไปตัดบาตรแม ก็กพอาจารย์คนเขาช่วยไม่ตัดมาก็กลับเลยจะได้กลับไปหาสิ่งที่รักที่ชอบเด็กสมัยนี้ติดแกงกันเยอะนะน้อยคนที่ไม่ติดนะเหมือนก็ว่าเขาต้องคุยกันรู้เรื่องกัะแต่สังคมใช่่คแต่คนไม่ติดก็มีค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะติด คนไม่ติดเขาคงจะแยกกลุ่มก็มีคนละกลุ่มกันน้อยมากแต่ว่าคนติดก็จะเป็นกลุ่มแล้วก็จะเล่นมีทั้งออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วที่พวก Xbox อะไรนะ P P อะไรเยอะ PlayStation แล้วบางคนมีครบหมดแล้วก็กลัวนี้เล่น Xbox กลัวนี้เล่น p a y s t a t o n มีอะไรอ่ะปะ ท่านผู้หญิงมีอะไรหมั้นี่โอ้หความตายเฉียดเจ้าค่ะพอดีรถลั่นมาแล้วก็ไอจมูด้วยเนยเจ้าค่ะมันมีรถสวนชนแบบคือนี้ถ้าเราไม่มีไอ b a เนี่ยนะก้าก็ตัากันไปข้างเขาข้ามมาเขาเกือบจะข้ามแต่พราะมันมี b แล้วเาข้ามมาไม่ได้ กระจายโดยไอ้ป <Ooh. S 1> ูนเบิร์นกระเด็นโดนรถด้วยจุกคานพลาสติกที่มันไมนออกนะคะที่มันอยู่ข้างบนกระจุยหมดเลยจ้าคัรตอนแรกหน่อยไม่เห็นจุกเห็นตังเหตนจานที่ว่าไอ้ตัวพลาสติกตัวปูนเลยมันกระจายก็ตกใจว่าไอ้เกิดอะไรขึ้นถามคนขับรถก็าบอกว่าเนี่ยรถฝั่งนู้นเสียหลักแล้วชนวิ่งพุ่งเข้ามาเลยถ้าไม่มีแบนเบียร์ก็คือเราตายขึ้นหมดปรากฏว่าเปรี้ยงเลยจ้าคันแล้วก็ แล้วก็ยังเขาคนขับรถเขาสงสัยว่ารถคันนั้นน่ะไม่บาดเจ็บสาหัสก็อาจจะตายเลยเพราะว่าคนขับที่เขาอัดไปกับตัวแบเรอร์ที่เป็นปูนนะเจ้าค่ะแต่เราก็แล่นต่อไปแล้วว่ามาดูรถก็โดนโดนปูนนิดหน่อยเพราะมันกระเด็นกระเจิงเลยเจ้าค่ะก็เลยบอกเออความตายนี่มันโหมันร้าแนงมากเลยเะแต่เราของเราไม่เป็นอะไรนะเจ้าค่ะก็อาศัยว่ามีตรงนี้กันแต่ถ้าไม่มีนี่ก็คือ จังเลยเพราะว่ารถเขาสวนแต่เขาเสียหลักนะจะผ่ะเขาชนเป็นรถเมเป็นรถใหญ่แล้วเป็นรถคือหน่อยไม่เห็นเพราะว่านั่งแบบกําลังฟังหูตาวิ่แต่ว่าคนขับรถเนี่ยเขาเห็นบอกว่าเป็นรถอ VOS ของตระกูลป้าเขาบอกเขาเห็นว่าหลังไอ้หน้ามอญี่ย์ุบเลยเขาบอกคนขับนล่นจะสาหัสหรือไม่ก็ตายเพาะผู้เดียดนั้นนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันเร็วมากแล้วรถเราก็แล่นต่อไปไม่ได้หยุดแต่ฝั่งรู้และเข้าใจว่าคงต้องไปเต็มตุ้ง มันมันก็เลยแบบโอ้โหเรื่องของความตายจริงๆวิเดียวจริงๆ <c oughs> แล้วตอนเกิดขึ้นยังไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่าอมันเป็นอะไรสักอย่างที่เหมือนพังอ่ะคือคือเราไม่ได้เรกว่ารถอีกคันมาชนหรืออะไรเราคิดแต่ว่าไอ้ <c oughs> แปลว่าทำไมมันพังขึ้นมาแล้วก็กลัวว่ารถเนี่ยจะถูกบูนเพราูนมันจะจายหมดเลยเจ้าค่ะอย่างบอกรถเราโดนอะไรหรือเปล่าคนขับบอกว่ามีสิทธิ์โดนเหมือนกันเพราะว่ามันกระเด็นมันเป็นเรื่องของเชืัต แต่ก็ดีแล้วค่ะก็แบบทำให้รู้ว่าโอ่งมันเราเผลอทียแล้วขนาดนั้นฟังหลวงตาแต่ใจก็ไม่ได้อยู่ซะร้ะอยเปอนตะดุ้งเหมือนกันจะผมนาดีอย่างถ้าตายไปตอนนี้ก็ไม่ใช่ได้บุญ<ม>เพราะว่าถึงเปิดหล้มตาอยู่แต่ใจก็อยู่กับล้มตาค ล, นนคลื่นหนึ่งคลื่นหนึ่งก็แวบไปไหนตุต่นไหนก็สักครั้ได้สติกจ <c oughs> <ๆ S 1> ังเลยยังอธิบายว่ามีแบรเรีคุมอยู่นะที่ บ า, า, างทีคนน่าเขายังบอกเขาตกใจเขาขนรู้ไปหมดมันก็เป็นวิธีทดสอบใจเราได้เหมือนกันว่า <c oughs> ใจเรานิ่งหรือไม่นิ่ง มันมันนิ่งเพราะว่ามันเหมือนกับเหตุการณ์มันเกิดเราไม่รู้ตัวแต่ว่าพอพอมารู้ที่หลังก็ไม่ได้ตกใจนะจ้าค่ะมันก็บอกเอก็ยังโชคดีที่แบบมันมีไอ้ตัวนี้กั้นเราไว้แต่ก็นึกนึกตำหนิตัวเองว่าถ้าเกิดมันตายไปตอนเนี้ยมันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าถึงจะฟังหลวงตาแต่เราเรายังใจสติเรายังไม่ได้อยู่ร้อเอร์เซนตเยจะพักฟังแล้วก็เดี๋ยววิ่ออกไปวิ่งออกไปมันก็ได้สติว่าต้องทำให้มากขึ้นต้องทาให้บ่อยขึ้น เพราะเวลาเราอาจจะหมดเมื่อไหร่ก nah e> ็ได้ก hmm ็เ hmm. นี่ยจุกคำมันแบบมันมันทาให้หน้าตัวเตรงนี้เลยคือเป็นอยเราหยุดได้ไงจและเราก็ยังไม่ค่อยได้เลี่ยงทกทีอายนี้ที่แบบเบื่อตัวเองก็คือว่าขนาดมันมีอะไรด้าแบบงๆสุขภาพก็แย่อะไรก็มาเตือนอะไรเงี้ยมันก็ยังสติมันก็ยังหลุดได้อะจุกคำมันมันแย่ขนาดนั้นจ ก็ดีมันจะได้เป็นเครื่องเตือนเราว่าเราคนจะรีบทำอยู่บ่บยอบบนะยๆเมนะื่อกี้เตือนจริงๆเพราะว่ายอมรับเลยว่ามันเหตุการณ์มันเร็วมากแตก่ใครยังพูดกันไดน้บอกว่านี้ถ้ามันชนแต่ละเรา อ, อาจจะตายไปโดยไม่รู้<ช>ด้ยซ้ำแล้วเราตา ย, ยตันตายไปแล้วสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ก็หมดไป เราไปได้ก็ธรรมะที่เราสะสมไว้แล้วมันถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะเนมันจะน้อยมากคือคือนึกถึงว่าที่เราสะสมเนู่มันยังไม่ได้เรื่องเลยเรานะี<ช>มันก็ยิ่งทําให้เรากังวลเครียดนิดนึงว่าเออเราไม่ควรจะเครียดอ่ะควรจะควรจะมีความเพียรมากขึ้นมากกว่าต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลอย่ไปคิดด้วยอารมณ์ใช่ไหเร า, ามีน้อยเราก็ต้องทําให้มากขึ้น เพราะว่ามันไม่เหมือนกับหาเงินเนี่ยมันหาเงินยากกว่าหาธรรมะธรรมะนี่เราหาได้ตลอดเวลา mm hmm. หาเงินนี่บางทีต้องไปสมัครงาน mm hmm. ถ้าไม่มีงานทําก็หาไม่ได้ใช่ไหมแต่ธรรมะนี่เราหาได้ไม่ไม่มีอุปร mm hmm. สรรคตัติแล้วก็พูดโทพุดโธไปเราก็ได้แล้วประเดิง mm hmm. หาธรรมนี่ง่ายกว่าหาเงิน่นะแต่ว่าไอ้การบัง hmm. ค mm ับ hmm. ใจเราเองเนี่ยตัวคำมันใจ ม, นมันยังบังคับยากมันยังพูดไปพูดมาของมันเลยก็ถึงต้องพยาย<อ>าม<อ>ตอนต้นมันก็ยากต่อไปมันก็จะง่ายพอเรามังคับมันบ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นกําลังของเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นออตอนนี้กําลังเขามากกว่าใช่มากยเยอะมากเหมือนถ้ากเยาะกันตอนนี้เขามีสิบคนเรามีคนเดียวแต่ถ้าเราพยายาม ดึงมาเรื่อยๆต่อไปเราก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นไปล้วต่อไปเราก็จะชนะเขาได้ที่ <นะ S 2> อาจาจะต้องแข่งเอาเวลาเจ<อ>้าคะกิมิยาเหมือนกันว่าไอ้เวลานี่มันจะให้เราหลืออยู่แค่ไหนเนี่นยเจ้าคะถ้าบเวลาเกิดความเกลียดข้างขึ้นมาให้คิดถึงความตายบ้างจะช่วยได้มากเล<อ>ยเพ<อ>ราะว่าพออะไรมากระทบใจตอนนี้พอมันกำลังจะแยกกาลังจะเซเนี่ยนึกถึงว่าลง <ทำ S 2> ปูแบรนเคยพูด บ, บเวลามันไม่ได้เหลือเยอะแยะนะโอ้โหสะดุ้งเจ้าค่ะแล้วมันมันก็มันก็หายไปเลยนะเจ้าค่ะไอควา ม, มที่กับกังวลหรือกระทบแต่มันไม่ได้หายแบบร้อนะเจ้าค่ะมันเลวแวกลับเข้ามาบ้าง<ม>แต่เราก็พยายามพยายามใช้อะไรเตือน<ม>ตัวเองแล้วมันก็เบาไปแล<ม>้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็อ่อนลงมันก็กลับมาใหมา่เฮ้อันนี้ดูไปทนนยรื่ ต้องพยายามทําอย่างต่อเนื่องทําแล้วอย่าหยุดเดินจงครมนั่งสมาธิใช่มากควบคุมใจไอ้ขันธมานอีกที่ว่ามาเป็นกระดูกฉีดนี่อีกพอเดินมากก็ปวดพอเงานานก็เจ็บอะไร่ ม, ม, มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากทต้องเปลี่ยนอริยบทอยู่ตลอดเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรคอ้มีสติอยู่อยู่ตลอดเวลาก็ไม่เป็นไร แต่ตอนนี้ก็ดีอย่างว่านั่งเนี่ยหมอบอกว่าอาจจะได้ยาวคื อ, อคือการนั่งเนี่ยอาจจะสเตรนน้อยกว่ายืนกับเดินก็เลยรู้สึกว่ามันพอมาล่างแล้วมันก็มันก็ดีบา้างบางครั้งแะไรจะแต่ไม่ใช่ทุกครั้งก็นั่งให้มันมีสตินะหรือเดิดนหรือยืนให้มีสติถ้านั่งเดินยืนแล้วไม่มีสติก็เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติ<ช> ปัจจุบันนี่ยคือมันเผลอตลอดมันไปคิดอนาคตคิดอดีป๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันมันจะปัจจุบันเแต่มันจะน้อยมากเลยแ้วันึกนึกขึ้นมาได้ก็จับให้มันปัจจุบันแต่ว่ามันจะแบบมันจะเผลอไปเดี๋ยวไปคิดข้างหน้าละเดี๋ยวไปคิดข้างหลังแะ้วอย่างเงี้ยเราไม่ลองท่องพระสดดูอาจารย์ถามจะจับไ้ไหมไมได้ท่อง จำไม่ได้เมื่อก่อนยังจําไปได้ถึงระดับนี้ออตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองกลับไปใหม่เ<ป>วลังเวลานั่งนั่งนั่งนั่งอยู่หกชั่วโมงนี่กำลังเท่ากับศ<า>ูนย์อยในเรื่องเมตตาภาวนานี่มันคือมันเป็นเหมือนยารักษาเมตตานี่ก็มีไว้สําหรับเวลาที่เราเกิดความโกรธให้อภัย ความโกรธมันก็จะหายไปให้คิ ด, คดให้มีความปรารถนาดีต่อผู้ อ, อื่นแต่แต่ก็ใช้ใช้เป็นเป็นกรรมฐานสำหรับทำใจให้สงบเหมือนกับพุโทโธก็ได้ถ้าถ้าถูกเจริตกับเราไม่จำเป็นจะต้องมีความโกรธถึงจะต้องใช้อาจจะถูกเจริตกับเราก็ได้ จะถูกเจริญกับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราลึกๆเราอาจจะมีความโกรธอะไรอยู่กับเราตอ<ร>นมีทุกคนน้อโกรธน้องมันมีด้วยกันเ <c oughs> แต่ว่ามันจะรอเวลาโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ถ้ามันโผล่ขึ้นมาถ้าเราใช้เมตามันก็อาจจะดับได้ง่ายดักนบง่ายกว่าใช้พุโทโธหรือใช้กรรมฐานอย่างอื่น <c oughs> เพราะตอนนั้นแสดงว่ามันต้องใช้พุโทโธต้องใช้เมตามันจะแก้ความโกรธได้ เหมือนกับเวลาเกิดกามารมณ์ขึ้นมาก็ต้องใช้อสุภาษิตอย่างเนี้ยเราใช้เมตตามันก็ดับไม่ได้มันต้องยาตรงกับโรคโรคที่มันเกิดขึ้นแต่บางครั้งเราเหมือนเราไม่รู้ว่าเราอาจจะกำลังโกรธแต่พอเอิญไปใช้เมตตาแล้วใจเราเบาเนี่ยมันอาจจะเพราะตอนนั้นเรามีความโกรธอาจจะมีความโกรธก็ได้หรือว่ามันมันมันถูกจริตกับเราก็ได้บางคนถูกจริญกับกรรมฐานชนิดใด พอใช้แบบนั้นแล้วใจก็ก็จะสงบมันแปลกตรงที่ถึงที่ท่านอาจารย์จันเบียนพูดแต่ทุกครั้งคือก็ไม่รู้ว่าท่านบาจะพูดบังเอิญก็ได้แต่ว่าท่านพูดแล้วาก็มองหน้าเราเหมือนแปลกปลกแต่ทกคมันวุบขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมไม่ลองใช้เมตตาลองดูอใจมันก็เบาลงมันไม่ถึงกับสงบนิ่งแต่ว่ามันใจมันต่างกับมันได้ผลอได้ผลก็ใช้อันไหนก็ได้ แล้วอย่างเวลาเราแผลเนี่ยคือพยายามคิดว่าเราปรารถนาดีอย่ได้ใช่ไหมก็ไม่ต้องเอาบุญกุศลอะไรหรอเอลยคือเราต้องการสร้างความรู้สึกที่ดีเวลามันมีความเมตตานี้เราจะมีความสุขใช่ไหมเช่นเราท่านก็สอนให้เราคิดถึงคนที่เรามีความรักด้วยเช่นลูกเราอย่างเงี้ยพเราคิดถึงลูกเราเนี่ยใจเราก็มีความสุขเพราะเรามีความปรารถนาดีกับ อย่าไปคิด hmm. ถึงคนที hmm. okay. mm ่เราเกลียดเพราเราไปคิดถ okay. yep. yeah. yeah. ึงคนที่เราเกลียดนี่ใจของเราจะร้อนขึ้นมาก็ให้เราพยายามคิดถึงคนที่เราเรารักเราเวลาคิดถึงเขาแล้วเรามีความรู้สึกที่ดีแล้วเราพยายามย้ายเอาความรู้สึกที่ดีมาคิดให้กับคนที่เราไม่ชอบเราพยายามบังคับใจให้เรามีความรู้สึกที่ดีนั้นให้กับคนนี้ก็ว่าให้อภัย เราทอะายผิดมาแล้วในอดีตที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วตอนนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนความรู้สึกที่เรามีกับเขาคนนี้ด้วยกันเหมือนกับเหมือนกับถ่ายอวัยวะเนี่ยถวเปลี่ยนหัวใจของคนหนึ่งมาใส่ของอีกคนนึ่างเนี้ยเราก็เอาความรู้สึกที่ดีที่เรามีต่อคนนี้มามาให้กับคนนี้แล้วต่อไปเวลาเราคิดถึงคนนี้เราก็จะไม่ไม่เกิดความโกรธขึ้นมา อันนี้คือคือคือวิธีการการแผ่เมตตาแล้วถ้าเราคิดถึงเหมือนเป็นความปรารขนาดีก็คือคือติไม่แต่ไม่ได้สาจากคนที่เรารักันะเจ้าค่ะคือคิดถึงว่าเราแบบทุกคนมันเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายแบบให้เกิดความรู้สึกที่ดีว่าใครยังไงก็เหมือนก็ต้องทุกข์ด้วยกันหมดเลย่เงี้ยเจ้าค่ะแบบเราก็จะรู้สึกใจมันเริ่มดีขึ้นมาในหนวงแล้วเราก็เอาไว้นั่นแผ่ได้ก็ได้เออได้อ เคยให้ก็ว่านนไม่เกี่ยวกั น, นอันนี้เราพูดถึงอันนั้นมันเรียกอุทิศบุญอันนี้เราไม่ได้อุทิศนี่เราต้องการที่จะสร้างความปรารถนาดีไม่ตีจิตกับทุกคนทุกสัตว์ทุกคนถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อเขาเราก็จะมีความสุขแล้วการการกระทาของเราต่อเขาก็จะทำแต่สิ่งที่ดีไม่เป็นโทษเช่นแทนที่จะ ไปทำร้ายเขาเราก็จะซื้อของมาฝากเขาใช่ใเวลาเราเราเราไปเที่ยวไหนเราเราซื้อของเราคิดถึงคนที่เราอยากจะให้เราก็มีความปรารถนาดีกับคนนั้นกัลักษณะนั้นคือเราก็เอาความรู้สึกที่เหมือนกับอยากจะให้ใครอะ่มาคิดให้กับคนที่เราไม่ชอบไม่ชอบแล้วชอบทั้งหมดเลยสัรพัสสัต์ทั้งหลายสัพเพสัตตาคนที่เราไม่รู้จัก ่เหมือนกันหมดได้อใครก็ได้ทั้งนั้นเวลาเจอใครก็มีความปรารถนาดีมีไมตรีจิตไม่ใช่พอเจอคนนี้ก็มีการแยกแยะว่าเขาเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ให้ความรู้สึกเสมอภาคเราต้องการให้มีความเสมอภาคกับทุกๆคนให้ความรักกับทุกทุกคน ความรู้สึกที่ดีความปรารถนาดีต่อทุกๆคนความอันดีจังนี้เพราะว่าใช่บางทีเราเดินไม่รู้ตัวเราจะแยกแยะว่าคนนี้เป็ น, น, นคนนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้พวกเราเมื่อตนนี้ไม่ใช่พวกเราเราก็จะมีความรู้สึกไม่ไม่ไม่เสมอกออแต่ถ้าเรามองว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเอเป็นมิตรกันออย่างน้อยเขาเขายังไม่เป็นมิตรกับเราก็เรื่องของเขาแต่เราเป็นมิตรกับเขา คือเราจะไม่คิดร้ายกับเขาพอเราไม่คิดร้ายเราก็จะไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายเขาคือโดยปกติเนี่ยเราไม่เคยจะไปคิดร้ายกับใครแต่เราอาจจะมีแบบไม่ชอบนะว่าคนนี้เขาดี่เราไม่ดีก็ดับความไม่ชอบนี้ด้วยความความเมตตามองเขาว่าก็เป็นเหมือนเราเป็นเพื่อนเก่าแก่เจ็บตาเหมือนกันนไม่ควรที่จะไปเกลียดเขารังเกียจเขา สียงีนี่เราก็อาจจะนึกหน้าเขาขึ้นมาหรืออะใก็ได้ถ้าคนไหนที่เรามีปัญหาเราต้องการที่จะทำให้ใจเราไม่มีความคิดที่ไม่ดีกับเขาเราต้องพยายามใช้การแผ่เมตตาอันนี้ก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาอันนี้ก็ต้องแล้วแต่จลิตนะ ตรีบางคนอาจจะไม่ไม่ชอบแบบนี้ก็ได้อาจจะชอบพุโทโธหรืออาจจะดูลมหายใจเข้าออกอันนี้มาก็ไม่เคยทราบวัตริ์นัดเป็นอย่างไรแต่ว่าพอลองดูแนะี่ยเอ๊ะมันเหมือนมันดีกว่าที่ที่ท<ม>ําอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจังหวะมากแต่ว<ม>่ามันมันดีอะไรติดปากมันมันจะเห็นผลก็ตอนที่เราไปเจอกับเหตุการณ์จริงเลย<ม>ใครเข้ามาทําให้เราโกรธ<ม>แล้วเรา ถ้าเรามีความเมตตาจริงเราก็จะดับความโกรนั้นได้พอคิดถึงว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าแก่เจ็บตายกับเราเนนะอะโก็จะคิดไม่ทันไงเราต้องซ้อมไว้ก่อนตอนที่เราภาวนาเ น, นี่เราซ้อมเรายังไม่ได้เอาไปใช้กับเหตุการณ์จริงแต่เราต้องซ้อมไว้ก่อนเหมือนกับนักมวย ต, ต้องซ้อมโชคมวยไว้ก่อนเแต่ตยังไม่ได้ขึ้นเวทีถ้าไม่ซ้อมเวลาขึ้นเวทีนี้โชคไม่ออก อะไรย่างถ้าไม่ซ้อมแผ่ไว้ก่อนพอมปเจอเจอเหตุการณ์จริงมปเจอคนเข้าด่าเราขึ้นมาเนี้ยเราจะฉุนขึ้นมาพอฉุนต้องเราก็ถ้ามีเมตตาเราก็เออช่างมันเราเป็นเพื่อนกันแชร์จเจ็บต้ายกัน ก็ปกติเนี่ยถ้าเรามีอะไรมากระทบแบบเนี้เราไม่พูดออกไปก็จริงแต่ว่าใจเราเรี่ยามันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเราพยายามไม่พูดนะก็พยายามลุกสิตไม่เห็นการเป็นวาจาแต่ใจเนี่ยมันยังยังมีรู้เร็วในเวลาเราไปเจอคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะทําใจแผ่เมตตาให้เขาได้หรือเปล่าอันนั้นะคือข้อสอบเหมือนเหมือนข้าห้องสอบแล้วตอนที่เรานั่งภาวนานี่เราเป็นการซ้อม เราสร้างอารมณ์ที่ดีไว้แล้วเวลาเราไปเจอคนที่เราไม่ชอบหนะ้าเราก็สร้างอารมณ์ที่ไม่ดีที่ดีนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถที่จะอยู่กับเขาได้คุยกับเขาได้อถึงแม้ว่าคําอาจจะมีการพูดอะไรกระทบกระทั่งนิดก็ถือว่า<ด>เป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้นาจิตตังจะให้เขามีความเห็นเหมือนกับเราคงไม่ได้แล้วก็เคารพสิทธิของแต่ละคนอ แล้วก็ถือหลักสงวนส่วนต่างภาษาส่วนเหมือนเอ <Okay. S 1> ถ้าพูดเรื่องที่ไม่มีความเข้าใจกันก็อย่าไปพูด mm hmm. พูดแต่เรื่องที่พูดแล้วเข้าใจกันรู mm ้ hmm. เรื่องเ mm hmm. ออแล้วก็ไม่ mm hmm. เคารพสิทธทิเขาไม่ไปเกียดเขาเพราะเขาคิดไม่ตรงกับเรา mm hmm. อแล้วถ้าเป็นคนที่จริงๆเราไม่ควรโกรธนะเจ้าก็เป็นบุคนที่เราควรจะให้ความเคารพหรืออะไรแต่มันก็มีบางอย่างที่เขาทําให้เรารู้สึกว่าเรา รับไม่ได้หรือมันเกิดภาวะของแบบเฟรสเตทอย่างเงี้ยนะเ<อ>จ้าคะแต่เราไม่เคยแสดงคือยาอะไรไปแต่ในใจเราเนี่ย ม, มันก็มันก็มีมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเจ้าคะแต่เราก็เห็นว่าพ่อเขาเป็นบุคคลที่เราไม่สามารถจะโกรธได้เราก็พยาย<อ>ามข่มแล้วก็พยายามแบบคือให้มันออกม า, เ, <อ>าเป็นเป็นลักษณะที่ดี<อ><อ>นะเจะแต่เรามาลุ้นทีหลังว่าโ อ, โอลึกๆเนี่ยเราไม่ไม่แฮปปี้เราไม่พอใจเ่อ<า>เรามองเขาไปไป ในมุมมองหนึ่งเราไม่มองเขาเหมือนกนัเขาเป็นสัตว์สัตเพสัตตาก็าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยถ้าเรามองเขาว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราก็จะมองเราก็สามารถแผ่เมตตาออกไปเขาได้กจริงๆมันไม่ถูกที่เราจะไปรู้สึกกับบุคคลแบบนี้แต่ว่าเนี่ยแบบเรามันรับไม่มันไม่ให้เรารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เรารับไม่ได้เพราะว่า เขากับเรามีความเห็นไม่ตรงกันการกระทาของเขาไม่ตรงกับความความต้องการของเราเราก็เลยรับคำไม่ได้เราก็ต้องสมวนส่วนต่างนี้ไว้อย่าเอามาถือเป็นประเด็นที่จะทาให้เราไม่สามารถที่จะคบกันได้เราต้องเอาประเด็นที่เราครบกันได้คือเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายประสานส่วนเหมือนเนี้ยอย่าไปเอาส่วนต่างมาถ้าเอาส่วนต่างมาแล้วก็คุยกันไม่ได้ เขาจะทําแบบนี้เราใช้เขาทาแบบนี้คุยกันจนมันตายก็ไม่สามารถที่จะแล้วสมมุติว่าถ้าเขาพูดคุยโดยที่ว่าจริงๆก็คือว่าเขาเขาจะพูดเรื่องเก่าเนี่ยซึ่มันเป็นเรื่องที่เราก็พยายามเปลี่ยนเรื่องไปใช่ไหมคือถ้าเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ฟังเขาไปแล้วก็นั่งฟังไปนลอันนี้นะคะที่เราที่เราทําอยู่เราดูเราพูดโทรไปก็ได้เขาพูดไปแล้วก็พูดโทรพูดโทวงเราไปก็ได้กว่อยเขาพูดไป ท่านก็ถามว่าท่านก็ถามว่าเป็นยังไงเห็นด้วยไหมว่าไงนะแลก็ไม่ถามว่าเออเ อ, อ, เ อ, อแล้วก็พูดโธเราไปเอบางทีก็อาจจะพูดแล้วก็ถามความเห็นเลยถ้าถามค่านเห็ก็ถามกลับเขาว่าไงนะเมื่อกี้อซ้ำอีกทีไม่เข้าใจ แต่ใจเราต้องไม่ให้มันไปมีความรู้สึกที่แบบอย่ไปอยากให้เขาพูดตามที่เราต้องกา ร, รเขาอยากจะพูดเรื่องของเขาก็ปล่อยก็พูดเลย<ม>ทุกคนก็อยากจะพูดเรื่องของเขาใช่ไหมแต่เราก็อยากจะฟังเรื่องของเรา <S <S <c oughs> มันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องน <c oughs> ี่ถ้าท่านต้องอยู่ด้วยกันต้องคุยกันก็ต้องอย่างเงี้ยต้องประสานส่วนเหมือนถ้าส่วนต่างก็เราก็เฉยเฉยปล่อยก็พูดไป<ม>เดี๋ยวเขาพูดเสร็จแล้วเราก็แล้วก็มาพูดเรื่องที่เรารู้ว่าคุยกันได้ ยัที่คุยกันไม่ได้เราก็อยากคุยหรือถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันก็พบปะกันก็กแยกทางกันไปไปทำภารกิจของใครของมันไปเพื่อรักษาสัมพันธไมตรีที่ดีไว้เท่านั้นเองคือเราคนเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่กันด้วยความเกลียดอยู่กันด้วยความเมตตาจะดีกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีการกระทำมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน แต่ถ้าเราจาเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันเราก็ควรจะอยู่แบบเป็นมิตรกันจะดีกว่าอยู่กันแบบเป็นศัตรูกันแล้วความเมตตานียจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่กันได้อย่างอย่างเป็นมิตรกันต้องคนต้องแผ่สบค่ะบาทีเรายังไม่ทันพูดอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนเขาเกิดอารมณ์ อ, มอะไรขึ้นมาหมดหดอะไรขึ้นมาที่ยังไม่ร้เร่องเหงุดหแล้วก็เป็นทา ทำเป็นคนดูไปกัแล้วกันดูละครดูขด้อแสดงเราอยาไปเป็นผู้กำกับแล้วบางอยากจะเป็นผู้กำกับเราเก็เ <c oughs> ขาพอแสดงไม่ถูกบทของเราแล้วบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเราต้องปล่อยเขาเราเราเปลี่ยนบทของเราจากผู้กำกับมาเป็นผู้ดูอให้ดูเฉยๆใครก็เขา อ, อ, อยากจะเขา อ, อยากจะแสะดงบทไหนก็ปล่อยเขาแสดงไป เห็นวตอนนี้เขากํากลังเล่นนอกบทก็ไม่เป็นไรนเป็นกินหนังสือเป็นบทไหม <c oughs> แล้วก็ดูตามตามความเป็นจริงเลยแตถ้าเราแผ่เมตตาเป็นมันก็คงช่วยเราเย็นด้วยนะคะทีเราก็ <c oughs> ถ้าดูเฉยๆก็เป็นอุบเบกขาไง <c oughs> ถ้าแผ่เมตตาไม่ได้ไม่เป็นก็แผ่อุบเบกขาแล้ก็ดูเฉยๆอย่าไปกํากับอย่าไปกํากับบงังคับให้เขาต้องพูดแบบนั้นทำแบบนี้เอ เขาจะพูดแบบนี้ทำแบบนี้ก็ไบางทีทะเลาะกันเฮ้ยทาไมคุณพูดอย่างนี้ทําไมอย่าอย่าไปถามนะคุณจะพูดยังไงทไําไงก็ป่อยเขาพูดไปทําไปเราก็เรามีหน้าที่ดูเขาพูดดูเขาทาเขาปล่ายเขาพู ด, พดไปทําำไป ม, มันก็จะไม่มีปัญหา เ, เราเริ่มมีสติดมากขึ้นเราก็ไม่ไปพูดอะไรที่เหมือนยิ่งเพิ่มไฟเชื้อไฟแต่ว่าในใจเราเองเนี่ยเจ้าคำมันก็อึดอัดมันก็ไม่ค่อย มันก็มันก็ถูกกระเทาะอง น, นัพรใจเรามีความอยากอยากให้เขาพูดให้ถูกใจเร า, าพอไม่ถูกใจเราใจเราก็อิด อ, อัถ้าเราหยุดความอยากของเราเสี้ยมันก็หาย a a a อิดอัดปล่อยให้เขาพูดไปตามความต้องการความอยากของเขาอย่าให้พูดต่างความตามความอยากของเราเพราะเขาไม่รู้ว่าความอยากของเราเป็นอะไรความอยากของเขาเขารู้เราถึงทําตามความอยากพูดตามความอยากของเขา เราต้องเข้าเข้าใจธรรมชาติของคนคนทุกคนเนี่ยที่พูดที่ทำนี่ก็พูดไปตามความอยากทาไปตามความอยากที่บางครั้งมันมันตรงกับความอยากของเรามันก็ไปด้วยกันได้เช่นอยากจะไปเที่ยวแล้วก็มาชวนเราไปเที่ยวเนี่ยอ่ะ ม, มันก็ตรงกันก็ไปได้แต่ถ้าคนหนึ่งอยากจะไปเที่ยวอีกคนอยากจะไปอยู่วัดเนี่ <c oughs> นยผู้คนจะมาตายก็ควรกันไปรู้เรื่อง นันก็อยากไปอยากก็อยากจะไปเที่ยวก็ปล่อยเขาไปแล้วอยากจะไปวัดเราก็ไปแล้วก็ไปของเราไปหลายคนละทางกันไปถ้าไม่ถ้ารู้ว่าไม่สามารถที่จะประสานกันได้หนึ่งให้เข้ามาไปในทิศ ท, ทางเดียวกันได้ก็ต้องแยกทางกันไปหรือว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้กำกับได้เสมอ บางทีก็กํากับได้บางทีก็กํากับไม่ได้แล้วคนที่จะรับผลก็คือตัวเขาแหละไม่ใช่เราอจริงแต่ว่าถ้ามันมีผลกระทบกับเราบางเราถึงไม่อยากจให้เขาทำเพราะว่าเกิดเขาเป็นอะไรไปเราเดือดร้อนอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะให้เขาทำงั้นเราก็ต้องพยายามหาวิธีที่จะต้องตัดตัวเราให้ออกจากจากการกระทําของเขาคือเขาจะทําอะไรจะผลจะเกิดขึ้นอย่างไรนี่ เราอย่าไปมีอมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลคือ mm hmm. ถ้าเราไม่ไปพึ่งพาอาศัยเขานี่เราก็จะไม่ต้องไป mm hmm. กังวลกับเขา mm hmm. แต่บางทีที่เราห่วงไม่ใช่ห่วงเขาเราห่วงเราเพรไม่มีเขาแล้วเราแย่เข้าใจไหมแต่ถ้าเราสามารถพึ่งตัวเราเองได้ไม่ต้องพึ่งเขา mm hmm. เราก็ไม่ไปกังวล mm hmm. เขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาไป ต้องย้อนกลับมาสร้างที่พึ่งในตัวเราให้ได้แล้วเราก็จะไม่วุ่นวายกับการกระทาอะไรต่างๆของคนอื่นเราก็จะทำด้วยเหตุด้วยผลพูดกับเขาดีๆบอกก็ดีๆถ้าเขารับได้เขาจะทำก็ดีไปเพราะประโยชน์เกิดขึ้นกับเขาไม่ได้เกิดกับเราถ้าเขาไม่ทำเกิดโทษขึ้นมาก็เกิดกับเขาไม่ได้เกิดกับเราเพราะเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการกระทาของเขา แต่ตอนนี้ถ้าเรายังพึ่งเขายังมีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาเนี่ยเราทำเพื่อตัวเรามากกว่าทำเพื่อตัวเขาเราก็จะอึดอัดเราก็จะเครียดเวลาก็ไปทำาะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าใจมากระทบกับผลประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากเขาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ต้องการผลประโยชน์จากเขาแล้วเราก็เฉยๆถ้าเราพูดกับเขาเตือนเขาสอนเขาก็ด้วยความเมตตาอย่างเดียว เผื่อบางทีเขาไม่รู้เขาไม่เห็นแต่ถ้าบอกเขาแล้วเขารู้ก็เห็นแล้วเขาจะทำก็แล้วไปถือว่าเราทำหน้าที่ของเพื่อนที่ดีแล้วของเพื่อนที่ดีของผู้ปกครองที่ดีเห็นลูกไปในทิศทางที่ไม่ดีก็บอกว่าอย่าไปในทางนี้นะแต่เขาจะไปก็ช่วยไม่ได้แต่ท่านพ่อแม่บางคนยังหวังเพื่อนลูกในยามแก่เท่าอยู่ก็จะทุกข์ยากลง กลเดี๋ยวเกิดมันเป็นอะไรไปมันจะไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าเราไม่หวังพึ่งเขาแล้วเราก็พูดไปด้วยเห็นด้วยผลแล้วก็จบใจเราก็จะไม่วุ่นวายไม่หงุดหงิดไปกับการกระทำของเขาเขาจะทำหรือไม่ทำก็ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์ของเขาเองเขาทำเขาก็ได้ประโยชน์เขาไม่ทำเขาก็ไม่ได้ประโยชน์นอกจากเรากลัวว่าพอเขาเดือดร้อ น, นเขาจะมาทาให้เรา ต้องมาเพิ่มเราเราต้องพยายามสอนให้เขาให้เพิ่มตัวเขาเองได้ก็ต้องทำาันบอกเขาเลยน้องงานก่อนว่าเธอเป็นไรฉันไม่เกี่ยวนะแล้วติดุูติดตรางฉันก็ไม่ไปประกันตัวเธอออกมาบอกให้รู้กันติดอย่างเดียว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 จันโทปนะระโสยธามณิจติระโสยธาสภีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวตวันตาบาโยสุขีธีคายุโกภวาอภิวาธนศีลสะนิจังวุธาปจายโนจตาโรธรมมาวทานติ อายุวันโอสุขังภาร <Okay. S 1> น, นะคิดว่ามาเล่นเกม5วัน3ามวันเกมเกมชีวิต <c oughs> เตรียมที่ไม่ต้องใช้เครื่อง <c oughs> สู้กับกี่เล่สของเรา <c oughs> ดูเราจะได้กี่แต้มฆ่า <c oughs> ไม่ได้กี่ตัว ถ้าความอยากในวันนี้ฆ่าความอยากเป็นเกมได้กี่ครั้งเนีเมค่ากิเลสการเกมค่าฆ่าปัญหาความอยากหือย น, น, นั่งเฉยไม่ต้องทอะไรได้เนยะสู้มันเดียวหงหาเขายืนนั่งสักนนั่งสักชั่วโมงไม่ต้องทาอะไรเลยไม่ช ถ้าเมื่อยก็ลกขึ้ น, ย, น, ย, นยืนยืนอยื่งนั้นนะ่ะก็จะไปไหนก็ไปได้ใครห้องน้ำอยากจะเข้าห้องน้ำก็ไปน้อกจากนั้นใครนั่งเฉยเฉยเล่นเกมชีวิตดูเกนต่อสู้กับความอยากอยากทานู่นอยากทํานี่อยากไม่ทานั่งเฉยเฉยดูเราต้อชั่วโมงเราต้อ ง, ง, อางนาฬิกาดูไม่ต้องไม่ต้องนั่งสมาธิไม่นั่งอะไรเพีแต่นั่งสู้กับความอยากแต่ท้านั่งสมาธิได้ก็จะช่วยทําให้นั่งได้งา่าย มั่งสวดเินไปนั่งอะไรไปมันเวลามันก็จะผ่านไปแล้วแต่ถ้านั่งเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวดูในกาเลย้โอ้ต้องไปนาทีเดียวซื้อความมันจะใหญ่งไงก็ไม่ไม่ยอมลุกจะ น, นั่งอยู่นี่ <c oughs> ชโมงเดียวไม่ตายหรอกขึ้นเครื่องยังนั่งห ล, หลายชั่วโมงยังนั่งได้ เวนานนานลาเล่นเกนะ๊ะไม่ให้หลับสิบถ้าหลับก็ลกุกขึ้นเย็น <c oughs> นี่ยวเล่นเกมจริงๆอ่ะเกมของชีวิตข้าศึกศัตรูของเราก็คือตั้หาความอยากถ้าเราฆ่ามานได้ใจเราจะเย็นจะสบายไม่ขีกัลยามีอะไร ม, มาขาเปล่ามีท้องขาโซ่ข ถามคถามอะไรอ่าเานี้เวลาเวลามามาถามะคะก็ส่วนใหญ่จะเอาความมิมาถามะอาจารย์บอกให้เอาความนี่หรือความส่วมาถามก็เลยเหมือนคถามข้าวก่อนนะคะแกก็เลยอยากรู้ว่าลาสมมตที่จะมาถามคืออะไรคือเขามีเขามีความังหัวเาก็ไม่มีคำถามเนีย คำถามมันยากจะความไม่สงบเห็นถ้าอยากจะหาคําตอบก็คําตอบก็อยู่ที่ความสงบทําใจใสงบแล้วคำถามมันก็หายไปที่มันถามว่าวาจันนี้ไม่สงบเห็นถ้าถ้ า, ถ, าถ้าอยากจะได้คําตอบที่แท้จริงก็คือทําใจให้สงบแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครเห็นมันก็ถามอยู่เรื่อยๆถามเสร็เดี๋ยวมันก็ลืมเเดี๋ยวมันก็กลับมาถามใหม่ มทีคำถามเดิมมาถามตั้งหลายรอบไม่รู้สึกตัวจำไม่ได้คําตอบต้องหมดอยู่ที่ความสงบเวลาใจสงบแล้วมันพอมันอิ่มมันสุขมันไม่ต้องการอะไรมันก็น้องอออขึ้นมาเองนะบอกว่าคําตอบอยู่ที่ความสงบถ้ามีความสงบแล้วก็ไม่ต้องใจไม่มีคาถามถ้ายังมีคาถามอยู่ก็แสดงว่ายังไม่สงบ อยู่สุขสบายดีนะบายดีจ้าค่ะ <laughs> จะกาาล่าวว่าอะไรอันนี้แหะคะ่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าอย่างช่วงแบบถ้ายิงยาอนไปอยู่ที่อื่นที่แบบมันไม่ใช่ของที่นี่นะคะแล้วท่นี้ว่าหนูว่ามันมันจะมีส่วนมนต์อย่างอะไรอยู่ด้วยนะเวอร์ชั่นอื่นเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่กัะเองตลอดเนะี้ยท่านี้ว่ามันจะ ม, มันจะเทียบเป็น ไม่เราเคยอยู่แล้วค่จะไม่ว่าอยู่คนเยอะไม่ได้เยอะมันชอคนเดียวชอบอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะมันมันไม่ค่อยว่างไม่ค่อยว่างตลอดก็ไปหาไปนั่งแต่ได้ไม่ได้หาวัดที่เขาให้มีอยู่คนเดียวได้แต่ต้องไปกกลไปวัดที่เขาให้เราอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวแต่เขาก็ต้องคือว่าต้องน้องทำกิจกรรมใช่ค่ะแต่ไม่ว่าตรงเนี้ยเพราะว่าเราเคยอยู่ตรงนี้มันเหมือนว่าช่วงเช้าเราจะจับได้เยอะจับช่วงเช้าได้เยอะแล้วก็ช่วงเย็นๆนะคะ ทีนี้พอเราอยู่งั้นก็คือที่ทํกากิจกรรมคือช่วงที่เราได้ผลพอดีทีนถ้าเป็นนานๆนนะ่ะการปรับตัวแล้วแบบเหมือนเหมือนข้างในเรามันจะมันจะเสียจังหวะไปหรือเปล่ามันก็มีส่วนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ใจเรายังต้องอาศัยการอยู่คนเดียวเพื่อทําให้ใทีนี้พอเราไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนี่ใจมันก็ไม่สงบ ใช่มันก็มีบางคนเนี่ยเหมือนว่าเขาเขาทำให้เราแกล้งนะแต่แบบเราจะไม่ใส่ใจแต่ว่ามันก็เหมือนอยู่เข้ามาเจ็บราละเอียดเข้ามาบ้างที่เขาไม่ไม่เก็บดีก็ก็ออกไปได้บางครั้งก็เหมือนยังอยู่อยู่ก็ลองไปหาว่าที่เขาไม่มีกิจกรรมให้ให้อยู่คนเดียวไม่มีเลยมีก็คือถ้าลำบากแต่ว่าก็คือต้องทําเขาเหมือนว่าอืมเขาจะมีแบบเหมือนญาติโยมที่ว่าเอาจริงเอาจังอะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนคนที่แบบอืเขาจะคัดไปอีกส่วนหนึ่งอาจารย์ เหมือนว่าคนที่ปฏิบัตินานๆแบบห้าปีสิปีอะไรเงี้ยก็จะคัดไปแยกไป อ, อีกทาหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นโยมที่แบบคนใหม่ๆก็จะให้ให้ทํากิจกรรมก่อนอยู่คนเดียวจริงไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรจริงแต่ว่าไม่มีไฟอะไรไม่มีอะไรทุกย่างนะแต่ว่าเราปฏิกรรมเราต้องไปร่วมต้องลงบทไหว้พระสดเนินทําอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ ะ, ะแต่ว่ามันก็จะดีตรงที่พอมาลำบากมันเถอนให้เราตั้งแแมงเข้มแข็งแล้ก็ได้อย่างเป็นการฝึกอีกแบบหนึ่งฝึกอยู่กับคนอื่น เปนว่ามจะเสียตรงที่ช่วงที่เราเคเก็บสะสมไว้ตรงนั้นได้ก็ก็ไม่ได้เสียขพียงแต่ไม่ได้ทําเพิ่มของเก่าที่เราทํามันก็ยังมีอยู่เราไม่ได้ทําเพิ่มมันของมันก็ไม่ได้เพิ่มไปอยู่ที่ไหนอ่ะที่ตเขามีกิจกรรมเลยนมากที่วัดที่ไปเจอที่เขาอยู่เดียวๆเลยจะเป็นแบบนี้หมดเลยวอาจาย์สุธรรมนี่แหละสุธรรมวัดของวัดแสงธรรมก็เหมือนกันจะมีแบบนะ้น จะมีข <Es> <an> like ้างหน้าคัอแบบนี้ว่าช่วงกลางคืนกับช่วงเหนือทราแต่ถ้าเป็นวันพักคือจะมีพระจันทร์จะออกมาเทพเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็คือเขาในั่งยาวเลยนั่งเต้นฟืนถึงเช้าอะไรเงี้ยแล้วแต่วันพักใหญ่ใหญ่แต่ว่าตรงเนี้ยคือตามเจตการตรงเนี้ยเพราะว่าอยู่ที่นี่มันเจอกันช้าไม่ต้องคงเราเก็บได้เลยอะตื่นมาแล้วเก็บเลย แล้วตรงนั้นมันจะตรงนี้มันคือที่เนี่นจะเหมือนดูข้างในเราเีอะ่ะก็เห็นอุ้ยตัวนี้กี่เล่อยตัวนี้ความก็จุชนะอันนี้แบบไม่ได้วะตัวนี้ดูความเดี๋ยวรอบหลังอะไรปรนะมาณนี้แต่อืมันจะเหมือนตัวคนเข้ามาด้วยก็ลองค้นหาที่ดูมันน่าจะมีทัที่หรอกที่ว่าไม่ไม่ต้องทํากิจกรรมอย่างเหมือนอย่างที่นี่ี ไม่มีเลยอาจารย์มีของอาจารย์เนี่ยวัดวัดจริงๆเลยอ่ะอาจารย์นี่วัดใจกันเลยนะว่ายืนได้ไม่ได้ให้อยู่ได้คือคุณพามได้ไม่ได้ก็คือว่ที่อื่นจะไม่ใช่มีตัวช่วยเยอะก็เปลี่ยนจากที่สี่หลังมาอยู่เขาของป่าไม้บ้างก็ได้เนี่ยป่าไม้เขาก็อ่าเขาก็มีบ้านพักให้เราอยู่ได้บ้านแฝดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยิ่งจองยากกว่าของของอาจารย์นีของอาจารย์จองง่ายกว่าเองั้นนั้นมันจะเป็นภาพบันเทิงอ๋อภาพบันเทิงใช่รางวีนคนเขาก็มาแบบ อันนี้อยู่มบางต้องมาได้ไม่อะไรเขาบอกพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองแหละแต่นี้ว่าถ้าวัดที่คือทางมันเหมือนว่าถ้าเราไปนานแล้วแบบตรงนี้สูโรบกัรมาตรงนี้เป็นพักๆจะดีกว่าไหมหรือว่าจะดูยิงยังในช่วงที่ตรงนี้ไม่ว่างก็ไปอยู่ตรงนั้นก่อนก็ได้คืออย่างนั้ววแล้นก็ยังได้ทําบ้างแล้วก็ช่วงที่ต้องมาทํากิจวัตรก็หัดหัดทำใจอยู่กับคนเพราะไงเราก็เวลาอยู่บ้านเราก็พอได้อยู่เพอายุ พี่บ้านมันการขาย เ, <อ>เจอคนเยออ <มา S 1> ยูย่เยอะกว่านี้เรายังทําใจได้เพี้ะงั้น ก, ก, ก็ไม่เป็นไรก็มันจําเป็นจ่ต้องทําก็ดีก็อยู่บ้านถ้าไปอยู่วัดข้าอยู่คนเดียวเพียงแต่มีเวลาที่จะต้องมาทํากิจกรรมร่วมกันบ้างก็โอเคเป็นพระก็ยังต้องมีทํากิจกรรมทุกวันก็ต้องลงมาบินตบายมาฉันที่สารานเหมือนกันแล้วลองเก็บผลดูนะค่ะลองเก็บผลดูตอนที่ออกมาเราพยายามดึงใจว่าอย่าไปสนใจกันเรื่องของคนอื่น ให้มีสติอยู่กับางานที่เราทําใครเขาเยอะอะไรก็พูดให้น้อยสุดทักทายกันให้น้อยสุดไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปคิดว่าเราไม่ไม่สังคมไม่อะไรกับใครเพราะเราไม่ได้มาสังคมเรามันเก็บใจพยายามจะดึงใจให้เข้าข้างในแต่เพื่อไม่ให้เสียมารยาทถ้าเจอใครก็ทักทายกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ทํากิจกรรมนี้เราสามารถทําโดยที่ใจเราไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้ ไปทําอยู่ให้ใจเราเก่อติดอยู่กับงานที่เราทําอยู่เขาให้ทําอะไรบ้างอ่ะเช่นส่วนมากตอนเช้าเขาใช่ไปช่วยแม่ชีก็บอกว่าแม่ชีของทำข้าวเป็นหลอกบ้างใส่เซเว่นส่วนมากัส่เซเว่นเขาบอกว่า อ, อันนั้นหนูก็มาทอด น, นี่มาปอกนี่ดีกว่านนเฉยๆอะไรเนี่ย ม, มันก็บอกว่าเอาของมาทําบุญได้ไหมไม่ต้องมาช่วยได้เปล่าเลยรประมาณ น, นี้ยได้ได้ได้แต่จริงๆอ่ะคือมันจะเป็นระบบ เราไม่ออกเขาจะเขาอยากให้ทํางานเขาใช่ก็เหมือนไอ้คุณนิดมันไม่มาเคีแล้วคุณเราจ้าของมาทำบุญคือมันมีคนที่แบบจะมาเกาะวัดกินก็มีเข้าใจไหมใช่เขาเลยต้องหางานให้ก็าทำแล้วถ้าให้อยู่ฟรีๆกินฟรีเดี๋ยวมันจะอยู่นานแต่ถ้าให้ต้องทํางานทําอะไรบางทีเดี๋ยวมันก็เบื่อมันก็จะไป แต่แต่ว่าก็อยากให้อยู่นะก็บอกว่าอยู่ทําไมบ้านมันอยู่วัดเถอะอยู่ทําไมบ้านอยู่บนตรอกชิลิแล้วเนี่ยอยู่วัดดีกว่ามันจะูพระถ้าเป็นพระก็ทําไดยก็ให้ช่วยทอดอะไรก็ทอดไปก็ได้มันก้นไม่ได้เราก็ทําแต่ว่ามันมันก็แบบคือคนเยอะบางทีแบบนอกจากมงครูแล้วมีมีกิจกรรมในวันไปสวดมนต์ไปอะไรแล้วก็ตั้งสี่โมงก็ดกวนเหมือนพระนี่เราทำเหมือนพระก็่ะคิดว่าช่วงเย็นเราจะได้มีเวลาเป็นของเราหมดไม่ได้ไม่ตอนทุ่มหนึ่งก็ต้องขึ้นไป ขึ้นไปส่วนมนแล้วก็ฟังเทโสองกันอะไรประมาณนี้แล้วถ้านั้นก็เหลือของเราแต่ว่าถ้าเป็นเหลือของเราคือต้องตื่นอรตอนช่วงเด็กแล้วช่วงนั้นนะคะช่วงช่วงแบบที่ช่วงมันจะเริ่มเงียบเราดักเตือนเราอใช่ไหมคะแม่แต่แมนก็ไม่ได้ทุกวันหรอกแล้วแต่เพราะว่าบางทีมันจะเหมือนว่ถ้าเยอะเหมันกันเหนื่ะอยกิจกรรมกิจกรรมาบบลาไม่ใช่เวลาของเราไม่แบบนี้อคก็ลองดูดีกว่า อลองสอบถามไปเรื่ยๆน่าจะมบีบางแห่งที่มันนะพอที่จะไปอยู่ไม่ต้องทําอะไรมากก็ได้อ mm hmm. ไม่มีทางอ<ม>ี<ม>สานก็ไม่มีวัดสายวัด ส, สายของครูบาอาจารย์ก็ไม่มงไปจะเรีนสายนี่เพราะาหนูกลัวคำสอนมันแตกไงเพราะว่าเรายังไม่มั่นขนาดนั้นถ้าเกิดคาสอนมันแตกเราเร า, เราจะเหมือนหลงไปเลยอเอาให้มันคล้ายๆกันแล้วเข้าไปจะไปคล้ายจันมลเพราะว่าเดี๋ยวมันมันตกก อ, อกอะ มันก็นเลยให้มันเข้าทางเดียวกั น, นหลักการเดียวกันว่าหลวงพ่อสุธรรมเป็นยังไงบ้างนะหลวงพ่อทำหรอท่านก็แบบถ้าบรรพะท่านจะมีมันก็ยังมีอยู่ที่ว่าญาติยมที่แบแต่อาจารย์ไม่นั่นหรอกอาจารย์นั่นแข็งแรงท่านก็เหมือนแบบท่านก็ไม่หมายถึงมีกิจกรรมอะไรบ้อง ท, ที่ที่วัดท่านต้องทําอะไร น, น้อง ก็ลงครัวเหมือนกันยตอนเช้างครัวเขาจ้างคนมาทําเอาต้องยุ่งเรื่องลงครัวม่เราก็ต้องไปนิดนหน่อยหน่อยเหมือนว่านิดหน่อยก็คือเหมือช่วยเขาแต่ก็ถ้าไอพวกนี้เราแต่เขามันก็มีทุกวันแหละอาจารย์มีทุกที่แหละอยู่ที่เรเฉยเได้ัไง่นั้นแะคนปัญหาคนมากกาใช่เราจะเฉยเฉไ้ปัญหาเจ้าที่เจ้าทางอะไรใช่ใช่ต้องมีทําเยอะแรงไม่แรงแล้วแต่พื้นที่ แต่กกแล้วเกล็ดเรานั่นเราก็เป็นไรเราเหมือนต้องไปไหว้เจ้าที่หน่อยนึงแล้วแล้ว ป, าากกปะปรยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นแหละแต่เราก็เหมือนเราลูบเขาต้องทำนิดนีดแล้วก็พอเห็นเราไมา่สนใจเขาก็จะทิ้งๆเราไปว่าเราไม่สนใจไม่ยุ่งอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ค่อยสญญนใจแล้วพราะเราไม่นั่นออมันก็มีทุงที่หรือว่าจ๊ะออแต่อย่างงี้คือมันวัดของเราเองไงเหมันเข้ามาแล้วก็อาจารย์ปล่อยก็ไปเลยแล้วก็คุณได้ได้ได้ได้ได้ธรรมะมานี่แล้วก็ไปลองทําดู มันดูตัวเองดูอันนี้มันคือวัดแัดข้างในเราเลยนะด้า น, นมันจะเหมือนมันตัวประกอบเยอะพอะระามสีน้แป้งงานคงได้หน่อยเยงองะมันควาสุขเล็กนิดเดียวเอง อ, ะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปจะสร้างเพิ่มอีกสี่หลังน่าจะมีเาเ<อ>ดินไปดูอยู่วัน <ๆ S 1> นี้เขาจะเริ่มเริ่มกั้นรั้วปิดละแต่แล้วช่วงนี้ากาศจะหนักครูหน่อยช่วงกลางวันเดี๋ยวเราไปไดินไปมาวันเขาไปดูละ พอเสร็จแล้วก็จะได้มีที่ที่อยู่เพิ่มขึ้นของจ ะ, จะอยากได้มากขึ้นก็ได้ยังอยู่นะหนูเสียวอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแน่นอนนะ<ถ> <laughs> ก็เอาเท่าที่ทําได้แล้วกัน อ, อย่าไปกังวลเลยะจะจะจะหมดเมื่อไหรก่ก็ก็ก็เป็นเรื่องของบุญกรรมแต่ตอนนี้ยังไม่หมดก็ทําไปนะะ <laughs> ยังทําให้มากๆมาอ ว่าน่าจะอยู่จนแก่เท่าก็ได้อาจจะแปดสิบเก้าสิก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกคนปฏิบัติธรรมสัญญายืนยาวนานบ้านมืดเยับเยอะการบ้านแล้ววันนี้วันแรกคราวนี้ได้กี่วันคราวนี้ได้10บสิบบิดเอ็นเพราจะไม่ได้โอ้ยาวเลยนะ ก็ดีนะหนูว่าถ้ายิ่งเยอมก็เหมือนเหมือนจับทางโทกอ่ะและ้วพอที่จะปังอาจารย์ที่เยอะๆิ่งรังแล้วเก็บเข้ามาแล้วก็มาใช้อ๋อนี่ถูกนี่ถูกแล้วถูกแล้วพอมันจะเหมือนหลุดแล้วก็เริ่มรู้ไม่ใช่ ม, มันก็เหมือนฟังใหเยอะๆก็ดีนะอาจารย์พอกลับมามันเหมแบบร้อยไม่ถึงหรอกแต่พ อ, อถึงเวลามาใช้งานแล้วมันมใช่ใช่ใช่แล้มันก็ต้องรู้บ้างมิเงี้ยเดี๋ยวปฏิบัติไปแล้วงงไม่รู้จะทําอะไรค่ะพาที่ฟังฟังมาแต่ก่อนฟังไม้ค่อยน่พออ๋อ พอปฏิบัติแล no ้วมันก็จะเริ่มเห็นแต่เราไปข้างนอกเลยมันสักพักเลยนะต้องตีเข้ามาอีกถ้าก็จะพักจะแบบไม่ค่อยมั่นอ่ะแต่จะได้บางอย่างมารู้ว่าได้ไปไปได้าระดเยอะ